บัรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปท่านทั้งหลายได้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมะกันมาโดยลำดับจนถึงสิ้นปีอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนานั้น จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบและวัดผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของตนแต่การตรวจสอบนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจะต้องดูด้วยตัวของตัวเองตามนยะตธรรมคุณที่ว่าอันผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้น มีจะมีแม้จะมีการจำแนกแสดงออกไปโดยพิสดารที่ท่านใช้คำว่าโดยอนเนกกระปรยายคือนยิยต่างๆแต่เมื่อก่าวโดยสรุปแล้วก็คือหลักของอริยสัจทั้งสี่ประการนั่นเองเพราะในชั้นของการตรวจสอบก็คือการตรวจสอบถึงความรู้เห็นอริยสัจ ตามความเป็นจริงว่าได้มีการรู้เห็นอริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงดับจริงได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใรทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงศัต ร, รุอริยสัจทั้งสี่ประการทรงรู้เห็นในอริยสัจทั้งสี่ประการพระยส า, าวกทั้งหลายตั้งแต่ประโสดาบันขึ้นไป ก็เกิดยานคือความรู้ความเห็นในอริยสัตว์ทั้งสี่ประการแต่การที่ท่านสามารถละกิเลสได้มากน้อยแตกต่างกันนั้น mm. ก็เพราะกำลังของยานที่บังเกิดขึ้นไม่ทัดเทียมกันตำนองแสงสว่างที่จุดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งก็กระจัดความมืดได้ในจุดนั้นแต่อ จ, จะยังมีความมืดอยู่ในส่วนอื่นๆซึงแสงสว่างส่องไปไม่ถึง แลเมื่อมาถึงจุดของการเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระหันแล้วญาณคือความรู้ซึ่งเปรียบเหมือนแสงสว่างก็จะสว่างได้เต็มที่ความรู้เห็นอริยสัจทั้งสี่ประการของพระพุทธเจ้าพ ร, ระหันทั้งหลายจึงมีความสมบูรณ์ดังนั้นการปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ตนของบุคคลทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องมีการสวจสอบถึงความรู้เห็น ในอริยสัจ ต, ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆในส่วนของทุกขสัจความจริงคือทุกข์นั้นในแง่ของอริยสัจทั้งสี่ประการแล้วทรงแสดงว่าเป็นปริญญาตับประธรรมคือธรรมะที่บุคคลพึงกำหนดรู้ได้แก่การปรับใจให้ยอมรับสภาพถึงความเป็นจริง ที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาทุกข์สัตว์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อไม่เหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นแก่ก็ต้องเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถที่จะไปต้านทานได้แต่เมื่อเหตุปัจจัยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีใครสามารถต้านทานไม่ให้กก่เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเหตุปัจจัยให้ถึงความแตกดับก็จะต้องแตกดับไปเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาปรากฏเกิดขึ้นทั้งแก่สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในแง่ของความจริงชั้นสูงสุดคือเป็นความจริงอย่างแท้จริงพระรีเจ้าทั้งหลายท่านมองโลก ว่าเป็นกลุ่มของความทุกข์ล้วนๆที่ห ม, หมุนไปและเป็นไปอย่างที่พระปัิญาเทรีภิกษุณีได้กล่าวตอบคำถามของมานซึ่งมาเล่าลวงท่านว่าการที่ท่านได้มีการสมมติว่าสัตว์พระบุคคลอยู่นั้นแต่ได้จริงแล้วไม่มีความเป็นเช่นนั้น เรียบเหมือนกับทัพพระสัมภาระทั้งหลายที่มาประกอบประชุมกันก็มีการบัญญัติเรียกว่ารถว่าเรือนเป็นต้นแล้ว เ, เกิดขึ้นแต่เมื่อทัพพระสัมภาระเหล่านั้นแยกสลายออกไปความเป็นรถเป็นเรือนเป็นบ้านเป็นต้นก็มีไม่ได้แท้ที่จริงแล้วทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไป นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับนี่คือการมองอย่างสูงสุดเป็นปัญญาความรู้อย่างแท้จริงมองเห็นโลกทั้งหลายว่าล้วนแล้วแต่เป็นกองทุกข์หรือกลุ่มของความทุกข์ท่านอาจจะใช้คำว่ากองทุกข์หรือก้อนทุกข์หรือกลุ่มทุกข์ แต่สรุปแล้วก็คือเรื่องของความทุกข์ปัญหาที่ควรตรวจสอบก็คือว่าเมื่อมีการศึกษาการสาธยายโดยการสวดโดยการเพ่งพินิตพิจารณาถึงธรรมะในฝ่ายนี้บุคคลสามารถเข้าใจถึงความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติเหล่านี้หรือไม่ ว่าในส่วนของความเกิดความแก่และความตายเป็นสภาวะที่จะต้องมีต้องเป็นโดยกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาตินี่จึงเป็นสภาวะทุกขคือทุกข์โดยสภาพมองในสายของไตรลักษณ์ย่อมสาธารณะทั่วไปแก่สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมองในสายของทุกข์ก็ทั่วไปแก่สิ่งมีชีวิต อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าส่วนของทุกข์สัตว์นั้นแสดงทุกข์ในส่วนที่เป็นผลอันเกิดขึ้นมาจากตัณหาสิ่งไม่มีชีวิตเขาไม่มีตัณหาแต่เ้าก็ตกอยู่ในกลุ่มของทุกข์ในใจรักดังนั้นประเด็นที่ควรจะสวจสอบพิจารณาในส่วนของปริยัติก็คือว่าเกิดแก่ตายที่สวดสาธยายกันนั้นเป็นสภาปฐุภ ส่วนความทุกข์ต่างๆที่ท่านเรียกว่าความทุกข์เบ็ดเล็ดหรือความทุกข์จรหรือบางครั้งก็ใช้คำว่าปักกินนกตทุกข์ก็จัดเกาะกลุ่มออกไปเป็นอนเนกแต่ในขณะเดียวกัน ก, ก็สามารถสรุปรวมลงที่ปกินนาเกตทุกข์หรือทุกข์ย่อยๆที่ส่งเริ่มด้วยความโศกความรัไรัรํรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจ การต้องพลัดพรากจากบุคคลสิ่งของอันเป็นทีนะ่รักการต้องอยู่ร่วมกับคนหรือสิ่งของที่ตนไม่ชอบต้องการอะไรแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการตลอดถึงความเย่ยวแข้งในะภายในทันใช้กรราความกรอบเกรียบในภายในลักษณะที่เรียกว่าอุปายาตซึ่งเราอาจจะมองในปัจจุบันว่า เป็นเรื่องของจิตที่เกิดอาการเซ็งขึ้นมาภายในเรล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพวกปกิณกะทุกข์คือทุกข์ที่จอดเข้ามาปัญหาในชั้นของการตรวจสอบก็คือตรวจสอบถึงความเข้าใจในทุกขษัตริย์เพราะสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดนั้น รุแล้วแต่เป็นทุกข์เพราะทุกข์ก็คือสิ่งอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะคงสภาพเดิมของตนไปได้มีการแผดเผาอยู่ภายในแล้วก็ให้เกิดความร้านร้อนมีความเปลี่ยนแปลงติดตามมาอยู่เรื่อย ลักษณะเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท่านเชี้ให้เห็นถึงกิจของทุกขสัตว์รือภาระหน้าที่ของความทุกข์แกเกิดขึ้นแกก็ทำก็แกอย่างนี้ทุกทีคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับอาการของโรคหวัดเกิดขึ้นแก่ใครก็สำแดงอาการอย่างนั้นความไม่สงบความไม่สมรวม ความไม่รู้จักกาลเทศะของบุคคลว่าการใดควรทาอะไรการใดควรทาอะไรเลวละเกิดขึ้นแก่ใครก็จะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะเช่นนั้นดันั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดามกเกิดขึ้นที่แก่ใครที่ไหนเมื่อไรก็แสดงอาการออกมาเช่นนั้นลักษณะหรือกิจของทุกศาตร์ก็เป็นเช่นเดียวกัน แกเกิดที่ไหนแกจะมีการปรุงแต่งมีองค์ประกอบมีปัจจัยเข้ามาปรุงแต่งปรุงแต่งเสร็จก็รักษาไว้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและในขณะเปลี่ยนแปลงก็มีความแปรปรวนมีอาการแผดเผาก็ให้เกิดความ ร, าร่าเริงด้วยประการต่างๆเพราะการตรวจสอบดูก็คือว่าในชั้นแรกมองได้ในแง่ที่เป็นเรื่องปัจจัยปรุงแต่งหรือไม่ ไม่ต้องทุกขเวทนาเดือดร้อนพระสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ในช่วงของความเกิดแก่ตายเมื่อประสบกับสิ่งเหล่านี้เกิดนั้นยังไงก็เกิดมาแล้วแต่ลองสังเกตว่าบางครั้งคนไปทุกข์ไปเดือดร้อนเพราะการเกิดคือผลจากการเกิดจึงเกิดมาในฐานะที่ยากจนเกิดมารูปร่างไม่สวยไม่งาม เกิดมาไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของพ่อของแม่เป็นต้นแล้วก็ซ้าเติมตัวเองย่ำยีตัวเองนี้แสดงให้เห็นว่าไม่กำหนดรู้ถึงสภาวะความเป็นจริงแท้ที่จริงรูปลักษณะต่างๆนั้นถ้ามีเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเพราะสิ่งเหล่านั้นแกเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยที่เราพูดกันว่ารูปทำนามธรรม คือแกเกิดก อ, องแกมาเป็นอย่างนั้นทำนองเดียวกับอาหารหรือทำนองเดียวกับเสื้อผ้าหรือทำนองเดียวกับสิ่งอื่นๆเพราะถ้าองค์ประกอบแกเป็นอย่างนี้แกก็ต้องเป็นอย่างนั้นคล้ายๆกับว่าคนจะปรุงอาหารจะทำน้ำพริกใช้สูตรเท่ากันรสชาติของน้ำพริกก็จะออกมาเหมือนกันนี่ก็คือการเข้าใจในแง่ของเหตุปัจจัย แล้วจะไม่ถือเอาเรื่องเหล่านั้นเป็นปมด้อยในการดำรงชีวิตหรือย่ำ ย, ยีตัวเองซ้ำเติมตัวเองเวลาประสบกับความแก่มีความรู้สึกเดือดร้อนเพราะความแก่พยายามที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่าหลอกลวงตัวเองหรือหลอกลวงคนอื่นให้รู้สึกว่าเรายังไม่แก่หรือไม่จะมีอะไรพอจะกรบเกลือนด้วย เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็มีการกลบเกลื่อนหรือไม่แล้วถ้ากลบเกลื่อนนั้นก็ต้องถามใจตัวเองดูว่ากรบเกลื่อนเพื่อให้รู้ให้ตนเองรู้สึกว่าไม่แก่คนอื่นรู้สึกว่าไม่แก่หรือไม่ถ้าว่าเป็นเช่นนั้นแสดงว่ายังไม่ได้ปรับใจยอมรับถึงความจริงในเรื่องของความแก่ที่บังเกิดขึ้นปัะกานเรื่องความตาย เป็นปัญหาที่ท้าทายความรู้สึกรู้เห็นในทุกข์สัตว์ของบุคคลเป็นอย่างมากตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวสมหรับทุกคนแต่เป็นสัจจะของทุกๆคนไม่มีใครหลีกเลี่ยงความตายไปได้แต่ก็จริงแล้วชีวิตทั้งหลายนั้นกลัวตายขยัดหวัดวันต่อความตายสารพัด ดังนั้นในการตรวจสอบถึงความจริงจึงมีได้หลายชั้นชั้นแรกมีความหวาดกลัวต่อความตายหรือไม่ชั้นที่สองเวลาเบียชนคนที่รักของตนพลัดพรากจากไปปรับใจยอมรับถึงแง่ความจริงที่เป็นธรรมชาติธรรมดาได้หรือไม่แต่ว่ามีความร้องให้เศร้าโศกปิริปิไรรำพันไปด้วยประการต่างๆ นั้นแสดงว่าใจไม่ยอมรับคติแห่งธรรมดาในข้อนี้ที่จริงพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงให้เห็นว่าการร้องให้พิริพิไรรำพันเป็นต้นนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแก่ผู้ตายและไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ตนเองผู้ตายเข้าไปยังไงเขาก็เป็นอย่งังไนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ตายให้เป็นคนเป็นหรือว่าตายให้ไปดีมีสุขได้ ในที่สุดก็ส่งแสดงธรรมปฏิบัติในชั้นที่เราเรียกกันในตอนหลังว่าทำทักษินานุปาทานคือการอุทิศกุศลส่งไปให้แก่ผู้ตายเพราะฉะนั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ตายในทางดีขึ้นและตนเองในทางดีขึ้นได้ที่จริงนี่ก็คือเรื่องของการยอมรับความจริงในแง่ทุกข์สัตว์ชั้นหนึ่งทําในสิ่งที่ตน ทำได้และทำไปแล้วได้ประโยชน์แต่ถ้าไปทำในสิ่งที่ตนทำไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ควรจะกระทำขั้นตอนของความคิดตัวนี้ก็เดินขึ้นมาโดยลำดับว่าถึงยามที่มีการพลัดพรากจากไปการแตกดับไปการสูญสลายไปปรับใจยอมรับถึงความจริงเหล่านั้นได้ไ ม, ไม่เศร้าโศกไม่เสี ย, ยไม่กลัดรุ่ม ก็ถือว่าการเป็นการสอบผ่านในด้านหนึ่งแต่ว่าในส่วนที่ลึกลงไปกว่านั้นได้แก่การที่เวลาคนซึ่งเป็นศัตรูของเราต้องตายไปมีความรู้สึกชื่นชมยินดีต่อการตายของบุคคลเหล่านั้นหรือไม่ ถ้าใจยังรู้สึกจินดีรู้สึกโล่งอกรู้สึกสบายใจรู้สึกสะใจในการที่คนซึ่งตนรู้สึกเป็นศัตรูได้ตายไปแสดงว่าใจนั้นยังไม่เข้าถึงความจริงในส่วนที่ลึกลงไปเพราะการเข้าถึงความจริงในส่วนที่ลึกลงไปนั้นไม่ว่าใครตายก็ตามก็คือตาย ตนเองจะถึงตายก็ไม่เศร้าโศกเสียใจหรือไม่หวั่นหวั่นต่อความตายเหล่านั้นแต่เพื่อจะปรับใจให้ยอมรับความจริงเหล่านี้บุคคลก็จะพบว่าหลักต่างๆที่ทร ง, ททรงสอนให้สวดสาทยายซึ่งเรียกว่าอภาินหาปัจจเวกขณะนั้นจะพยายามพิจารณาหนึ่งเนืองพิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่สม่ำเสมอ เพืพยายามปรับใจยอมรับถึงความจริงในส่วนนี้เราเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพลัดพรากเป็นธรรมดาจะ ถ, ถามว่าทําไมให้มองในแง่ของการพลัดพรากเป็นธรรมดาก็เพื่อจะบรรเทาความโศกความร่ำไรลําพันความทุกข์ความเสียใจความครับแค้นใจ การต้องพลาดพลากจากคนที่รักการอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบโดยการตั้งความหวังในอะไรแล้วไม่ได้ตามที่หวังเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะที่มุ่งผลในการช่วยให้บุคคลผู้ปฏิบัติเห็นอริยสัจในแต่และข้อชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ได้ความสุขความสงบ เกิดขึ้นภายในจิตใจข้างตนเวลาประสบกับอารมณ์ในส่วนที่เป็นทุกข์สัตว์วันความเปลี่ยนแปลงทางใจที่เกิดขึ้นจากการเห็นทุกข์สัตว์จึงต้องเดินมาได้โดยลำดับมองยอมรับในแง่ที่เป็นธรรมดานั้นชั้นหนึ่งมองในแง่ที่สิ่งเหล่านั้น ตนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้พี่ทงสอนให้พิจารณาว่าเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังนัติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เวลาความตายจะมาถึงตนก็สงบใจทาใจให้สงบได้เรียกว่าเสียมใจตายและอเสียมตัวตายได้ เพราะในชั้นของสังสารวัตนั้นการพร้อมเผชิญหน้ากับความตายที่บังเกิดขึ้นจะทำให้จิตใจของบุคคลมั่นคงไม่หวั่นไหวและเตรียมใจให้ผ่องแผ้วเพื่อกำหนดภพชาติของตนให้มีความประนีตยิ่งขึ้นไปได้การมองเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาและยอมรับถึงทุกขสัตว์ส่วนนี้ช่วย ผู้ปฏิบัติทุกขั้นตอนตั้งในขั้นของการหมุนบนในสังสารวัติขั้นของการดา ร, รงชีวิตและขั้นที่จะเป็นวิปัสสนากรรมฐานต่อไปเมื่อคนพระภากจากไปคนที่รักตายไปก็ไม่เศร้าโศกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าคนที่เป็นศัตรูตายไปก็ไม่ดีใจมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่ จะต้องแตกดับไปเป็นธรรมดานั้นได้ แ, แตกดับไปแล้วแล้วก็สงบใจได้มึกน้อมก็มาหาตนได้และที่เด่นขึ้นไปกว่านั้นก็คือกระตุ้นตักเตือนใจตนเองให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมากยิ่งขึ้นเจวมาเห็นคนแก่ มองในแง่ของธรรมดาว่าตนก็จะต้องเป็นอย่างนั้นให้ความเคารพยำเกรงต่อคนแก่เหล่านั้นนอกจากในฐานะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังในฐานะที่เป็นครูคือสอนเราให้รู้ว่าต่อไปเธอก็จะต้องเป็นอย่างที่ฉันเป็นมองเห็นคนเจ็บก็ให้ความกรุณาเมตต า, าต่อคนเจ็บ มีใจิตใจเอื้อเฟื้อแสดงออกมาให้เห็นและมองกลับมาที่ตนว่าแม้เราก็จะต้องเป็นอย่างนี้บ้างก็ให้เกิดเป็นความไม่ประมาทขึ้นในการดำารงชีวิตในการระมัดระวังรักษาสุขภาพพอมองเห็นคนตายก็เกิดธรรมสังเวชคือความสลดใจความปรงปลกในทางทั้งหลาย กิจไดที่ควรขวนขวายเพื่อคนตายก็ทำไปแต่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือมองกลับมาที่ตนเพราะแม้เราก็จะต้องเป็นอย่างนี้บ้างแล้วก็ถือคนตายนั้นเป็นครูอย่างที่เราพุทธเจ้าทรงสอนในรูปของอสุภกรรมฐานก็ดีมาณสติก็ดีจะสอนในแนวให้มองเห็นเป็นครูเป็นผู้ให้ความรู้ให้ความเข้าใจถึงสัจจะของชีวิตที่ทุกๆชีวิตจะต้องประสบ ถ้าหากว่าบุคคลได้เห็นอริยสัตว์คือทุกสัตว์ในชั้นใดชั้นหนึ่งได้จิตใจจะไม่ฟูขึ้นจะไม่ฟุบลงเวลาประสบกับความทุกข์จะไม่ดีอกดีใจเมื่อประสบกับการพลัดพรากของคนที่เป็นศัตรูแต่จะทำใจให้สงบอยู่ได้แล้วทั้งหมดก็คือว่า ดึงกลับมาหาตนได้ว่าแม้เราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นการคิดต่านี้จนเป็นเรื่องที่สอนให้คิดบ่อยๆนึกบ่อยๆจนมีความรู้สึกเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายด้วยการพลาดเป็นต้นก็ตามจิตใจของบุคคล น, นั้นได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็น การปฏิบัติหน้าที่อันเกื้อกูลต่อคนแก่คนเจ็บคนตายหรือต่อคนที่พลัดพรากที่กำลังประสบความทุกส่วนที่เรียกว่าทุกจรหรือประกินนะัทุกหรือทุกเบ็ดตะล็ดและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือได้ครูมาอนุสติเตือนใจตนเองข้อนี้จะเห็นได้ว่าโปรแก ร, รมฐานทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดง ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปที่ให้บุคคลยอมรับความจริงในแง่ของทุกขสัจในมหาสติปัฏฐานนัสูตรทรงแสดงอารมณ์ของกรรมฐานไว้ถึง21อารมณ์ด้วยกันในแง่ของกายานุปัสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูกายเริ่มมาจากกลุมหายใจเข้าออกอิริยาบถใหญ่ทั้ง4ี่อิริยาบถย่อยต่าง แยกกายออกเป็นธาตุสแยกกายออกเป็นอาการสาสองแยกได้แต่ใจยังไม่ยอมก็ให้ไปดูที่ซากศพเฉยเลยหรือมาดูที่ตัวของเวทนาที่บังเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขหรือมแม้แต่ไปดูขันดูอายัตนะขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณดูอายัตนาะถ้าหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิน่นรสผลพระเป็นต้น ล้วนแล้วแต่สอนให้บุคคลเข้าใจถึงความจริงในแง่ที่เป็นทุกข์สัตว์พระตหากว่าคนมองเห็นโลกเห็นชีวิตในแง่ความจริงส่วนนี้ได้จะหน่ายในทุกดังนั้นพระพ้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงไว้โดยสรุปว่า เมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นทุกข์เห็นธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาเมื่อนั้นบุคคลย่อมหน่ายในความทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดหรือบางครั้งก็ทรงแสดงในรูปที่ให้บุคคลได้พิจารณาเองว่าจะไปทางไหน โดยทรงสอนให้ดูทุกข์สัตว์ในแง่ทั้งโลกคือทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเพราะโลกนั้นคือทุกข์สัตย์ที่อยู่ในสูตรของการเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยรักษาสภาพเดิมก็ต้นไม่ได้มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในการแผดเผาก็อให้เกิดความร่าเริงโดยรัชสั่งว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุจราชรุ ที่พวกคนเขาก็คล้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล้องอยู่สแสดงว่าโลกเดียวกันนั่นเองคือทุกข์กษัตริย์กลุ่มเดียวกันนั่นเองคนที่รู้ก็ไม่คล้องไม่ติดแต่คนที่ไม่รู้ก็จะมีความคล้องความติดเพื่อใผู้ฟังได้คิดตัวเองว่าจะไปในทางไหนบางครั้งก็ส่งสอนในแนวของการปฏิบัติ เช่นพระโมคข ร, ราชได้มากราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จะมองเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นคือตามไม่ทันพูดเป็นไทยๆว่าไม่ต้องเกิดตายเกิดตายอีกต่อไปพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนโมกข ร, ราชเธอจะมองดูโลกนี้ให้เป็นของศูนย์ ว่างจากเราว่างจากของเราว่างจากตัวตนของเราและว่างจากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเรากับของเราและกับตัวตนของเราถ้ามองได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้มัจจุราชก็จะตามไม่ทันคือจะไม่ย้อนกลับไปสู่ความตายอีกแต่แท้จริงแล้วก็คือไม่ย้อนกลับไปสู่ความเกิดอีกเมื่อไม่เกิดก็ไม่ตาย ในที่นี้ท่านถามเฉพาะย้อนสู่ความตายพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าไม่กลับไปสู่ความตายที่จริงจะพูดช่วงเกิดหรือช่วงตายก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะเกี่ยวเนื่องกันเมื่อไม่เกิดก็ไม่ตายพูดเฉพาะตอนปลายเพราะว่าเกิดนั้นคนยังชอบเกิดแต่ว่าตายคนไม่ชอบตายเพื่อพูดการให้คนไม่ไปสู่ความตายจึง สร้างความกตือรุรน่นสร้างชันทาอุตสาหะได้สูงกว่าที่จะพูดถึงเรื่องของความเกิดก็สงชชยบุหารออกไปในละักษณะนี้เรองการตรวจสอบถึงความรู้ความเห็นในอริยสัจอาจจะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าพิจารณาตามแนวของปิฏหะปัจจเวทขณะทั้งห้าอย่างซึ่งเป็นการมองทุกศาสตร์ทั้งหมดและดูใจของตอนว่าเห็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ แต่การจะดูเห็นจริงหรือไม่นั้นจะต้องประสบกับสิ่งเหล่านั้นเสียก่อนประสบกับความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากและผลกรรมเสียก่อนสามารถปร่งโกรอยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่ถาม้ากระทาได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งคือมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นความทุกข์ที่เกี่ยวกับเวทนาในเรื่องเหล่านั้นน้อยลงเวรการบ่งชี้เห็นว่าขน ย่อมบังเกิดบงเกิดขึ้นแล้วภายในใจในชั้นหนึ่งและเมื่อเพียรพยายามต่อไปก็จะเห็นแจ้งในทุกขสัตว์สูงขึ้นโดยลำดับต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป